มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปัญจมวัคโพธิสัตว์ตะธรรมตาปัญหาที่สองถามว่ า, า, วาเหตุไรพระโพธิสัตว์จึงไม่รอให้บารมีแก่แล้วจุติลงมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าทีเดียว ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การถ า, ถามถึงอัธปัญหาแก่พระนาคเษนต่อไปเล่าว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าพระพุทธดีกาโปรดไว้ในธรรมปริยายนั้นว่าพระโพธิสัตว์เจ้าที่มีบารมีแก่กล้าคงจะสำเร็จแก่พระพุทธญาณแล้วนั้นมีพระพุทธบิดาพระพุทธมารดา เกิดกับสำหรับกันทุกชาติกว่าจะได้ตรัสนั้นเป็นนิยตธรรมดาอยู่ประการหนึ่งโพธิอันว่าไม้ที <atte> ่จะได้ตรัสนั้นก็บังเกิดทุกพระองค์เป็นนิยตธรรมดากรณีอยู่ประการหนึ่งท่านผู้ที่จะเป็นอัครสาวกนั้นก็เกิดสำหรับกันเป็นธรรมดากรณีประการหนึ่งบุตรนั้นก็เกิดสำหรับกันเป็นธรรมดากรณีประการหนึ่ง พระพุทธะอุปถาเล่าก็เกิดสำหรับการมาเป็นธรรมดาซืบซืบมาทุกพระองค์ประการหนึ่งตกว่าทรงพระกรุณามีพระพุทธดีกาตรัสไว้ในธรรมปริยายนั้นปุณจาตุมเหพันธะบัดนี้พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโยมว่าพระบรมโพธิสัตว์เจ้าของเรานี้เสด็จอยู่ในดุสิตพิภ พ, พเป็นคำรบปัดชิมชาต จะจุติลงมาตรัสนั้นต้องพิจารณาซึ่งอัฏฐมหาวิโลกนะแปดประการกาลังวิโลเกติคือเล็งแลดูการอันสมควรที่จะบังเกิดประการหนึ่งทีปังวิโลเกติคือเล็งแลดูทวีปทั้งสี่ที่เห็นว่าสมควรจะบังเกิดในชมพูทวีปนี้ประการหนึ่งเทสังวิโลเกติคือดูซึ่งประเทศว่า ประเทศนั้นสมควรที่อาตมาจะไปเกิดนั้นประการหนึ่งกุลังวิโลเกติคือดูตระกูลว่าตระกูลพราหมณ์หรือตระกรูลคฤหะพอดีหรือว่าตระกูลกษัต ร, ริย์สมควรที่อาตมาจะไปบังเกิดนั้นประการหนึ่งชเนติงวิโลเกติคือพิจรารณาดูพระพุท ธ, ธชนนีสมควรที่อาตมาจะไปเกิดประการหนึ่ง อายุวิโลเกติคือพิจารณาอายุสัตว่าจะยืนควรที่จะโปรดได้นี้ประการหนึ่งมาสังวิโลเกติคือพิจารณาเดือนที่จะจุตินั้นประการหนึ่งเนคคมมังวิโลเกติคือพิจารณาว่าจะเสด็จออกไปสู่มหาพิเนศกรมในประเทศขอบเขตราวป่าอันใดประการหนึ่งสิริเป็นแปดประการดังที่พันนานามานี้ ชื่อว่าอัฏฐมหาวิโลกะนะนี่แหละถ้าพระบรมโพธิสัตว์เจ้ามีพระบารมียังอ่อนอยู่ยังจะไม่ได้ตรัสพระโพธิสัตว์เจ้าจะยับยั้งอยู่ให้พระบารมีแก่กล้าแล้วจึงจุติลงมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้ากระนั้นจะไม่ได้หรือจะต้องพิจารณาดูซึ่งอัฏฐมหาวิโลกะนะแปดประการไปทําไม ด้วยพระพุทธมารดานั้นๆก็มีสำหรับอยู่เหมือนกันทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์จะต้องมาพิจารณาดูมหาวิโลกนะแปดประการทำไมโยมใครค่ครวรดูคำทั้งสองนี้ไม่ต้องกันอยังปันโหปัญหานี้เป็นอุพัโตโกติจงโปรดวิสัชนาให้แจมแจ้งก่อนเถรฝ่ายพระนาคเสนก็ถวายพระพรว่า มหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเดิมได้ถวายพระพรไว้ว่าสมเด็จพระโบรมโลกนายกตรัสพระสัษธรรมเทศนาไว้ว่าพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีจะได้ตรัสนั้นมีพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาเกิดสำหรับกันจะได้วิปริตหาไม่ได้คำที่อัตมาถวายพระพอรอีกหมายว่า พระโพธิสัตว์เจ้าเมื่อจะมาตรัสนั้นเล็งแลดูซึ่งอัฏฐมหาวิโลก น, นะคำนี้ก็จริงและพระโพธิสัตว์พิจารณาดูซึ่งอัฏฐมหาวิโลก น, นะคือพิจารณาดูตระกูลบิดามารดาใช่จะแคลงว่ามิใช่บิดามารดาหาไม่ได้พิจารณาดูไปรู้ว่าชาติตระกูลพระบิดามารดานั้นจะเป็นตระกูลกษัตริย์ หรือตระกูลพราหมหาสารประการใดพิจารณาดูกรณีต่างหากนี่แหละเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เจ้ามาตรัสนั้นต้องพิจารณาดูมหาวิโลกนะทุกพระองค์ประการหนึ่งเหตุที่จะพึงแลดูในภายหน้านี้มีอยู่แปดประการว่าชิชชัสมหาราชาปุปเพวิกะพันดังขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ธรรมดาว่าพานิ์พ่อค้าเมื่อจะขายของรู้ว่าของเท่านั้นขายไปเท่านั้นครั้นแล้วไล่เลียงดูของนั้นอีกเล่าอย่างนี้ประการหนึ่งพระยาโคชสารแม้จะไปในสถานที่ใดแล้วย่อมเอางวงจดไปภายหน้าประการหนึ่งพ่อค้าเกวียนรู้จักท่าขึ้นท่าลงอยู่แต่ว่าจำจะดูท่าขึ้นท่าลงอีกเล่าประการหนึ่ง ลาตาต้นหนเดินทางทะเลแล่นไปแล่นไปก็เข้าใจรู้อยู่ว่าท่าที่นั้นเป็นท่าจอดก็จำจะดูอีกก่อนประการหนึ่งแพทย์รู้แล้วว่าบุคคลเป็นไข้อันนั้นเมื่อจะวางยาก็ต้องพิจารณาดูไข้นั้นก่อนประการหนึ่งอสรพิษรู้ว่าปากปล่องอยู่ที่นั้นครั้นจะออกไป ต้องดูปากปล่องเสก่อนแล้วจึงไปประการหนึ่งพิษุรู้แล้วว่าจะตุปใจัยนั้นสี่ประการคือชีวรหนึ่งบินทบาทหนึ่งเสนาสนะหนึ่งเพสัชหนึ่งครั้นจะ บ, บริโภคก็ต้องปัจเจเวกพิจารณาเสก่อนจึงบริโภคประการหนึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะจุติก็พึงแลดูก่อนประการหนึ่ง สิริทั้งหมดเป็นแปดประการด้วยกันยะถามีคารุวนาชันใดพระบรมโพธิสัตว์เมื่อจะมาตรัสในชมพูทวีบนี้เล่าพระองค์เจ้ารู้อยู่ว่าจะเกิดในสำนักพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาแต่ทว่าต้องพิจารณาดูตระกูลพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาเพื่อจะให้รู้ว่าขัตติยมหาสารรือ หรือว่าพรามณะมหาศาลตถาเปรียบปานฉันนั้นแลขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงฟังพระนาคเกษวิสัชนาดังนี้ก็สิ้นสงสัยซ้องสาธุการโดยในหนหลังโพธิสัตว์ตสะธรรมตาปัญหาเป็นคำรบสองจบเพียงนี้